การแสดงธรรมเทศนาในขั้นนี้ขอกะทําในรูปของว่าถัากกระถาทเติดเพราะว่ามันไม่โอเอะยู่ดเยื้และจิตใจมันยังเป็นห่วงแต่เรื่องจะทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าอรรมะยะตาธรรมะยะตากําลังขึ้นสมองตั้งใจจะพูดแต่เรื่องอรรมะยะตาให้เข้าใจให้ําเร็จประโยชน์จึงขอพูดเรื่องธรรมะยะตาเติมเติมขอให้ตั้งใจฟังให้ดีการที่เอาคํา สำคัญสำคัญท่านหัวใจนะ ค, คองธรรมมาบอกมากล่าวให้เป็น ท, ที่ทราบกันนี่มันมีความผู้หมายที่ลึกซึ้งอยู่ซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบก็หมายความว่ามันต้องการจกใช่นะใช่ไหมใช่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ได้ยินเฉยๆเพียงได้ยินได้ฟังเฉยๆไม่สู้จะมีประโยชน์เป็นเพียงความรู้อยู่ในสมุดอยู่ในนั้นต้องาการเอาไปใช้นี่นกับคาถาศักดิ์สิทธิ์คือมนตราศักดิ์สิทธิ์ใช่ขับไล่พูดผีปีศาจ พูดผีราะที่น่ากลัวจริงๆนั่นก็คือกิเลสที่อยู่ข้างในไอ้ผีเด็กๆกลัวมันผีเด็กๆผีเด็กเล่นไม่น่ากลัวผีหลังโกงผีตาตดวงผีอะไม่น่ากลัวนะแต่ว่าไอ้ผีที่น่ากลัวจริงๆนั่นก็คือกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นสังเกตด้วยดีมันยิ่งกว่าผีหลายเท่าหรือเป็นผีที่ร้ายกาศร้ายแรงมันจะต้องขับให้ออกไปเมิฉะนั้นแล้วมันจะกัดเอามันยิ่งกว่าหลอกไปอีกทั้งที่หลอกแรกล่นหลอกจะเป็นอะไรนักหนาแต่มันกัดเอาแล้วมันก็เจ็บปวดเลย เราต้อมีกิเลสตัดเอาเราก็ต้องมี <c oughs> มตราคาถาสําหรับขับไล่กิเลสนี่ให้ออกไปฉันจึงเอาคําพิเศษพิเศษมาบอกกล่าวให้รู้กันสําหรับไล่ผีนับตั้งแต่คําว่าอนิจจังหรืออนิตสตาทุกครั้งหรือทุกตาอนั ต, ตาหรืออนัตตานี่มันถ้ารู้จักใช่มันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเมื่อเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งผิดจากความหมายอย่างยิ่ง ซึ่งจะถึงกับจ้องร้องให้จ้องนั่งจ้องร้องให้มันจะได้อะไรถ้าร้องไห้ถ้าไม่ต้องร้องไห้มันก็ดีกว่ามากอเลยฉันว่าถ้าปีนี้น้ําแห้งข้าวตายหมดไม่ได้กับเม็ดเดียวนึเสี ย, ยใจแค่นใจน้ำตาไหลออกมานจะเอาคาทถาอะไรขับไล่มันออกไปวิตกใจแต่ไม่สัณเสี ย, ยใจจะต้องไม่แห้งใจมันก็คาถาอย่างที่บอกบอกกันไว้ก่อนแล้วนานมาแล้ว ไม่นแน่แต่ว่าไอคนนั้นมันจะได้คาถาเปนนิดตื้นลึกสูงต่ำสกีมากน้อยแต่มันก็ใช่มีประโยชน์ได้ตามระดับของมันเช่นจะใช้คําว่าอั น, นิีจังอั น, นิีจังอย่างนี้ก็ได้ไปบอกตัวเองว่ามันก็ไม่เที่ยงบางปีก็มีฝนดีบางปีก็มีฝ น, นไม่ดีมันบอกวไม่เที่ยงไม่เที่ยง อ, อันนี้จังที่มาขัดไล่ความเสียใจครับแค้งขาดในใจว่าเข้าไม่ได้สักเม็ดหนึ่งปีนี้ถ้ามันมีความรู้แข็งกร่อันนี้จังก่ออันนีจังเ น, นี่ยไล่ผีขับผีถ้ารู้สูงไปกว่านั้นเป็นรู้ไปถึง อีท่าปฏยตาพรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพวกนันท่นนี้มันก็ร้องออกมาว่าอีท่าปฏิยตาอีท่าปฏิยตาอีท่าปฏิยาตาไม่ต้องไม่ต <interfer es> ้องเสียใจไม่ต้องแห้งใจไม่ต้องน้ำตาอะไรอีท่าปฏิยตาอปฏิยตามันกลายเป็นมนล่ายออกไปในเมื่อมันไม่เป็นตามใจเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองนี่แหละคนมีความรู้สูงไปกว่านั้นอีกเนี่ยหรือ่อกขึ้นไปกว่านั้นอีกมันกจะใช้มลคำหนึ่งว่าตตาตาตาตาตาตาตาตาเช็นนั้นเองเชนนั่นเองมันเซ็นนั่นเองฟังดูมันก็พูดเล แต่คนี้ลึกซึ้งหนือประมาณไ่ใช่คพูดเลนน่นเช่นนั้นเองผลไม่ตกหน้าแห้งขาวตายหมดไม่ได้สักเม็ดเดียวปีนี้ไม่ชมนคำลากีคือความเสียใจย ต, ตา ต, ตาตาตาตเช่นนั้นเองมันเป็นมนอย่างนี้มันจรินี่มนคำพิเศษที่อูท่านันนี่ทำไม่จะต า, มมายเ่งลึกซึ้งกว่านะวันนี้ลึกซึ้งและเหตุกยา ก, กว่านะแปลว่าไม่อาใัยเหตุจยนั้นนั่นอีกแล้วไม่วหวังพึ่งเหตุปัจจยนั้นนันอีกแล้วไม่หวงังพึ่งที่ได้ข้าวได้ปลาไอะไรอีกแล้ว มันต้องเป็นนักเลงมากกว่ามันถึงจะพูดออกมาว่าอ้อะตมยตาอะไอย่างนี้จิตใจเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเกลี้ยงมีเกลียกลยกล้ยงใหญ่ที่จะเป็นทุกข์จะเสียใจที่จะเป็นกนระร้อ ง, องห่มร้องไห้มนต์คลังที่สุดคืออตมมะตมยะตาําตัวหนันงสือแปลว่าความสิ่งใหม่ต้องอาบสยสิ่งนั้นไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้ น, ไ ม, ออ น, นไม่สําเร็จประโยชน์จากสิ่งนั้นคือความหวังที่จะได้ข้าวเว่าความอยากที่จะได้ข้าวมันเป็นความหวังที่จะได้ มีสิ่งนั่นเป็นังที่จมันก็บอกว่ามองเห็นแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องกาสายสงนั้นไม่ต้องกรสายสิ่งนั้นไม่ต้องกาสายสงนั้นอันตรมญตาอัรมุญตาแต่คํานี้มันฟังยากมันฟังยากมันแปลกหูเกินไปคงฟังไม่ไปจะรู้เรื่องแต่บาุชาอาปุชาศึกษาจดจำขัาใจว้เถมดเรื่องมุญตานี่วังนจายางก็ใช่มากใช้มุญตาทุกรูปแบบทุกชนิดเราจะขับไล่กิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนู้อจะขับไล่ความรู้สึก ทางการมาลมทางเพศกันได้ขับไล่ความรู้สึกกัรโทรศัพท์แท่นปยาบากก็ได้ความรู้สึกโง่้ลงอะไรก็ได้ถ้มีบตรดาบตรด า, <c oughs> ราเป็นบรรดา่งเสริมจิตใจให้มันเต็มแผงสดชื่นเป็นไฟเ้าวหน้าไปอย่างนี้ก็นี้ก็มีบรรดาหลานแบบ <c oughs> เรามีว่ายสำหรับขับไล่หรือยางตำที่สุดมีเอาไว้สาหรับพลัง <c oughs> ทุกคนะ ภพราะใครเราจะพูดผู้หญิงจะคลั่งคังผู้ชายไม่เคยคลั่งไม่ตั้งแต่กระดาเลยแต่ผู้หญิงมักเป็นคลั่งคลั่งมากคลั่งเกื่บทุกคนแล้วคำคลั่งนันไม่เคยน่าฟังเป็นคำที่เทียบกับเพศเทียวกับอะไรไปได้โดยมากเเป็นคำหยาบสนิดทีามธรรมดาพูดไม่ได้แต่พอมันคลั่งันออกมาได้คำคลั่งเป็นอย่างนี้นี่เราก็จะมีคำคลั่งคำคลั่งที่น่าฟังคำคลั่งที่ไพเราะคำคลั่งที่็จประโยชน์ใช้ขับไล่ไปได้จริงๆแทนที่จะคลั่งเป็นคำหยาบคำทางเพศทางการารมณ์เป็นกันโดยมาก จะคลั่งบ <t desserts> ้ทางทมก็ทั้งทำมัสังขังก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ลละเอียดพิจใจสูงเป็นสูงมจะฟลังเป็นะรอันนี้จังทุกครั้งนตากะไรอันนี้จังได้อันนตากระไรทำใดคหนึ่งก็ได้งามคก็ได้ถ้ายังเป็นเด็กหรือคนทั้ที่ขาดมันก็จะรู้อะไรต้องการที่ช่วยจะคลั่งว่าการทำมังสังังก็ยังดีก็ได้เคยได้ยินกันบางคนที่คังอย่างนี้จะแกลงทำหรือทำเก็าะารนั้นไม่ยังเดินไปเหยียบพื้นปูนมันลื่นไหลจะล้ม ทีนี้กเตรียมคำที่ น, น่าฟังไว้สำหรับรัางดีกว่าถ้าทีคลาตก็ต้องไปเจ้าช่วยวไปตามเรื่องพูทางกังท้งามเรื่องจางเป็ <c oughs> นเรื่องว่าอะไรดีจะร่างเป็นเรื่องว่าเช่นนั้นเองทันนี้เองมันก็ดูจะไม่ไจาเข้าเรื่องก็เอาที่มันตรงเรื่องที่มันข้าวเรื่องใั <c oughs> ้าเาช่วยปตรงนี้มันก็ธรรมดาธรรมดาเกินไปเด็กี้คลาก็ตงจ้างรองนั้นถึงนั้น <c oughs> จะร่างหมดแตท่าพาชันนี้เองก็ยังดีกว่า จะตอท่าปฏยตาอีทปยตามันมีเหตุมีปัจจัยทให้ให้มันพื้นัลื่นแล้วไปเหยียบ้ามันก็ลื่นแล้วมันก็จะล่มอทปฏิยาตาว่าทามันล่มก้นกระแทกนั่งเห้ตดอยู่ก็ยังพลั้งออกมาได้ว่าอทปฏิยตานี้มันดีกว่ามันฉลาดกว่ามันมันมันับคุกได้นะไม่ต้องร้องไห้ม่ตเจ็บปวดลั้งเป็นธรรมะชั้นสูงชั้นลึกกับบัมบัดความปวดความเจ็บเปในตัวเลยอุษาสิบสาวให้พอมีธรรมะพอเข้าใจธรรมะพอเตรียมพร้อมอยู่เสมอมันจะพลั้งออกมาเป็น เราเื่อนั้นมัน เ, เรื่องที่ไม่เทียแต่อ <c> า <oughs> จาราทุกครังออทุกขั ง, ขง ม, มันมีความหมายในการที่ว่ามันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติไม่แปลกประหลาดอะไรซึ่งธรรมดาคนเขเป็นทุกข์กันฉันจะไม่เป็นทุกข์ก็มันมย่างนี้ป็รดีถ้าว่าอนัตตาอนัตตาไม่มีเป็นตัวตนทต่อสู้ตานทานกับิงเหล่านี้คือเหตุการณ์อันนี้ซึ่มันต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรต่างทานได้กับั่งปากออกมาว่าอนัตตาอนัตตา ไอ้คำยาวๆคงจะไม่คงจะมีใครมาสั้งไแล้ว <Nav> ก <Legisl ative> ็ไม่มีใครจะเข้าใจ่นคือว่าธรรมะติตตาธรรมติตตาซึ่งเป็นคำสรุปเรียกของอาจจังสััานิสตาอ่าธรรมะติตตาธรรมกติตะตามันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของธรรมดาตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ่ธรรมะติตตาก็มีความหมายว่าไม่น่าแปลกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ด้วยคำว่าธรรมนิยามตตาธรรมัญาเหมนกันมีความหมายามันเป็นไปตามกฎของธรรมดาจะโมโหยังไงจะร้องไห้ทำไมันเป็นไปตามกฎของธรรมดา ทมันยามตาก็คืออนิจจังทุกครั้งหน้าตาอีกเป่นจะเป็นกปามธรรมชาติธรรมดานก็คืออนิจังทุกครั้งหน้าตาก็ได้อีทับปฏิยาตายินดีถึงทางร้ายก็มีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยได้ยินคนบางคนรู้จักใช่ไหชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแต่มาได้ยินบางคนรู้จักใช้คำว่าอทับปยตาับปฏิยตานี่แสดงว่ามีความรู้ทางธรรมะดีขึ้นกวแต่ก่อนมาก เข้าใจความหมายกองอิทธิปฏิยาโดยนำมาใช้สำหรับพลังโดยนำมาใช้ําหรับเตือนสติตตนเองไม่ให้เป็นทุกข์เพรามันเป็นอิทธิปฏิยาจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคํานี้ก็มีประโยชน์มากใชได้ความขวัญอิทธิปฏิยาที่นี้ก็มาถึงคําสุญญตาสุญญตาถ้ามันเป็นอิทธิติยาโดยเด็ดขาดมันมีความเสี่ยงใครมันต้องเป็นไปตามกฎของอิทธิปฏิยานี่แสดงว่ามันเป็นสุญญตาคือว่างว่างจากตัวตนไม่มีอำนาจทีบังคับให้เป็นไปตามการต้องการของตนก็ไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นของตน กลั้งว่าสุนยตาสุนยตาแต่ว่าว่างว่าว่างวงจะไปเอาอะไรก็มันเอาอะไรก็มันว่างว่างวงว่งอันี้เนื่องกากเห็นว่างเมื่ไหร่เช่นนั้นเองเห็นตาท้าตาตาทํานี้ก็เป็นคำที่สําคัญมากไหนนั่นเช่นนั้นเองนี่ลังพิจารณาดูเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองมันทำให้เขคงที่อยู่ที่น่ารักมากก็ไม่รักเขามนคงที่อยู่ที่น่าเกลียดมาก็ไม่เกลียดคงที่อยู่ที่น่าโกรธมาก็ไม่โกรธมันคงที่อยู่ที่น่ากลัวมาก็ไม่กรัมันคงที่อยู่ตาท้าตายก็เช่นนั้นเองท่่่าคคงงททีีอยูได้ เคยจะคงที่อยู่ได้ก็ตอบใจตัวเองก็ได้หรือคับถึงตัวเองก็ได้หรือออกมาในกิจการโดยรวมก็ได้เช่นนั้นเองชไม่หวนไหวในทางได้ในทางเสียในทางแพ้ในทางช้นะในทางกําไรในทางการคุ้มในทุกทางแหละไม่ว่าในทางบวกในทางลบมันเอาแต่ถาดตาถาตาออกลับหน้ามันก็เลยสบายมันมันมีการเปลี่ยนแปลงทางบวกทางลบทางใต้ทางข้าทางสูงทางต่ำมันคงที่ใะถาตาอะไรว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมีความรู้แล้วตั้งตนอยู่ในที่งนี้แล้วมันคงที่ไม่หวนไหว ผู <c oughs> ้ใดมีต่ถาตาถึงที่สุดคุณนั้นเป็นตถาคตตถาคตเอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพระอรหรั <c oughs> <c oughs> นนั่นมายถึตถาคตในที่นี้หมายถึงพระอรหรันหนี่ตายกันอย่างนู้นอย่างนี้มาตำรวจดูตัวถึงแล้วว่านี้แปลว่าคาคำนี้หมายถึงพระอรหรันจันเบืองหน้าแต่การตายต ถ, ถาคตมีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือมีอยู่บ้างหรือไม่มีอยู่บ้างหรือ ม, มีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่คำว่าตถาคต น, นีนแปลกันเป็นอย่างอื่นว่าศัพอะไรบ้างที่เห็นคำนี้แปลว่าอรหันผู้ใดถึงตถาด้วยตถาตาด้วยตถาตาคุณนั่น คป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกพระอ ง, งเองก็มีเรียกว่าเราตถาคตจะมันเป็นคำกลางใช่กับคนทั่วไปที่ไม่หวั่นไหวแล้วอีกถึงความคงที่แล้วเราเรียกว่าตถาคตนี่เพราะอำนาจของการเห็นตถาตาและมีตถาตามั่นคงอยู่ในใจไม่หวั่นไหวใช้แต่ตถาตาตว่าสิ่งที่มาทําให้จิตใจหวั่นไหวแต่ว่าริ่งที่มาทําให้จิตใจหวั่นไหวความหวั่นไหวของจิตนมีมากคุณจะรู้จักเั็นวัยเป็ใช่สำหรับ ศึกษาหรืปฏิบัติหรือคุณตนเองความวันไหวยกตัวอย่างเาจะเกลาคำสิบคำซึ่งท่านทั้งหลังทุกคนต้องรู้ดีมันวันไหวแต่จาปกติมันก็เรียกวันไหวอย่างแรกที่จะเห็นยังไงงพูดถึงตอนก็คือความรักน่ารักเป็นอารมณ์ชินน่ารักโดยภาพก็ดีโดยเสียงก็ดีโดยกลิ่นก็ดีโดยรสก็ดีนนก็ดีมันน่ารักจิตใจมันก็รักผิดปกติแล้วมันไม่คงที่อยู่แล้วยังคงที่อยู่ได้ไม่ต้องเห็นความเช่เป็นเช่นนั้นเองของสิ่งนั้นที่มาทําให้รักเราเห็นเช่นั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันก มีความรักทำมผิดปกติความกลเกลแมันเป็นยักมาเป็นอะไรมรู้ไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่กิความรักกับความกรัแล้วความเกลียดที่หนัาเกลีมาแจ้ก็เกลียดมันก็เกลียดด้ความโเกิดเกลียดเรื่อประมาเกลียด้วไม่ตงเพลดถึงความจริงมันก็มีตรงเพลดแต่มันก็เกลียดย่งไม่ชอบกันก่อนแล้วยิงเปลีนมากวันไวแล้วปกติแล้วความกลัวความกัวทีนักกลัวมาหรือว่าคิดเอาเองเนความโง่เกิดความกลัวคนนึกถึงสิ่งที่หนักลัวว่าคนลุกขึ้นมาที่ ทุกคนต่างเคยเต้นหละเรื่องบางเรื่องหรือภ า, าพบางภาพคน no คนึกถึงกันมาทางนั้นแหะเพราะผลลูกแหะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นึกถึงกนนะความกลัวก็มีมากในคนลูกหรือว่ามันมีสิ่งที่หน่ากลัวมากมันตกกลัวอ่ะเต้นไปเชิญหน้าตัดรูตัดไร่ที่อันตรายถึงลู้ว่าทุกกันแล้วก็ตายเพียงแต่เดินเข้าไปใต้เขาไปฟ้าแรงสูงมันก็เสียวอ่ะมันตกกลัวนะอย่างนี้เป็นต้นมีความกลัวทําให้ผิดปกติจามีความรู้เรื่องตาตาอยู่ในจิตใจมันมาเป็นอย่างนั้น แต่เด็กนี่เด็กๆมันถูกตัวถูกหลอกให้ลัวมากๆตั้งแต่เด็กๆมวจนจนเป็นผู้ใหญ่ตแล้วมันก็ยััวนเป็นสิ่งก็ควรจะต้องมีอะไรมาขับไล่ความกลัวมันกลัวเพราะควาไม่รู้เพาะความโง่เด็กเล็กๆเด็กเมียนกมันกลวนกรูปับรูปยกษังรูปทหน้าเกลียดรูปตัวแขกีตัวังเขาผ่าท้องผัดผ่าท้องหมูผ่าท้องวัวผ่าท้องลาผ่าท้องามันก็ลัวี่ต้องมีรู้คนเป็นเด็กิใจมันอ่อนไหถ้ามันมีความรู้เรื่องตาตามาแต่ในช่องมันไหมตัว ที่นี่ก็ความตื่นเส้นความตืนเส้ น, น, นความรักความโรกรธเปลดควาตัวอันที่ห้าความตืนเส้นตึ่เส้ น, น, นมีอะไรแปลกประหลาดมันก็ตื่นเส้นก็มีของแปลกประหลาดก็ิปกติมันก็ถึงเส้นแปลกนี่แหลาความตื่นเส้ น, น, ม, น, น, นมันจับติจจดจับใจมากเหมือนกันะเด็เด็กมันชอบไปดูหนังไปดูละครไปดูอะไร <c oughs> ไม่มไปกัร <c oughs> ้องไห้เพาะมันต้องการจะไป ด, ดูสิ่งที่ยั่อารมณ์ันถึงเส้นสนุกเพราะมันมันเล่าประสาทผิดปกติหรือว่า คามชอใจอย่างหัวเราะนี่ก็อยู่ในคู้ตื่นเต้นมันตื่นเต้นมากครคาว่ามันจะได้องหัวเราะฉันเขาไปกี่สีข้างมันก็หัวเราะหัวเราะัก็ตื่นเต้นมัจักกี่มันก็ตื่นเต้นก็หัวเราะเนี่ยมันอาจจะคงที่ได้นี่เรื่องขงาตื่นเต้นเดี๋ยวนี้เขาก็มีการฝึกฝนทําถึงที่น้าตื่นเต้นฮะมานหลอกคนที่ตื่นเต้นเขาเก็บสตางคคือการเล่นอย่างนั่นเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนู้ก็หลายๆแต่ทัี่ตื่นเต้นเป็นมากสี่สุดเลยเรื่องกายกรรมอย่างไปก็ราที่มาจากเมือง แต่ขาดูแพงมากแต่ก็มีคนดูแน่นเพราะมันได้รับผลอยู่ความตื่นเต้นซึ่งเป็นที่สนุกสบายใจแต่ถ้ามันรู้ความจริงของตาาตาแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นการกรรที่ดูแล้วน่านลกน่าตื่นเต้นก็หนในชนนั้นเองนั่นเองนั้นก็ไม่ตื่นเต้นมันก็ต้องไม่เสียตางคนไาเสสตางไปดูกีลาไปดูฟุตบอลไปดูมวยไปดูการกรมไม่ต้องไมต้องเพราะมันไม่ตื่นเต้นเพามันมีตาขาตาคื่คุ้มครองเอาไว้สัญญาตาหรือตาขาตานี่จะมาถึงอตมวิาต ซึ่ละเอียดและนิดลึกกว่าันอีกคือความที่จริงเหล่านั่นจะมาปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปความที่จริงเหล่านั้นจะมาปรุงแต่งให้รักให้โกรธให้ตื่นให้กลัวให้ถึงเต็มไม่ได้อีกต่อไปเราอยากขาดกันความไม่สําเร็จมาจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นความไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นอความไม่เนื่องกันกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นคงยังฟังไม่ถูกใช่ไหมเพราะมันเป็นคำที่แปลเกินไปแต่เขาฟังให้ก่อนเถอะเราจะมาหาคำที่ง่ายที่สุดไม่ช่วยขาใจง่ายจะไม่ได้ง่ายเลย กูไม่เอากรมืออีกต่อไปอะไรที่จะมาทํำให้รักให้โกรธให้เปลียนให้กลัวให้ถึงเป็นให้พี่ตกกังวลอะไรเอาวันชาทิศาหึงพวงอะกูไม่เอากรมืออีกต่อไปธรรมยตาธรรมยตาไม่มีอะไรจะมาทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อีกต่อไปคือไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปจะไม่มีอารมณ์ติดพูดออกมาจากสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป ท, ทำมานีละเอียดมากจะเป็นการเปล่าพูดจะต่อฟังไปแล้วไม่รู้ที่พูดอยู่นี่ไม่รู้จะใจหรือไม่คาใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันถูกอะไรกลงแต่อมได้เนี่ยเป็น ไมมีอะไรเลกในโลกไม่มีอะไรติ ม, ม, รรมาทำให้ ร, รักโรเบตัอการเงินอะไร อ, วอ่รรวนการสหหนด้ดีขึ้นไดี๋ยนี้เรามันไป็นไรเปลจะคลัตจยไมั <c oughs> ยังหวังหวั ง, น, ง น, นีต้องการนันต้องการนี่ต้องการในทางบวกอย่างยิ่ง <c oughs> ในทางในทางบตองการที่จะไม่เเฉเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ในทางเสียในทางขาดทุนในทางรบมันก็มันก็ตรงนี้ก็เป็นไปจะไม่มีก็เป็นไปไม่ได้เกลัวกัวกลัวที่ต้อการเงินอยู่มันต้องัว ส่วนทางบ่วงตัวหิวกระหายกันอยู่อยากจะมีอยู่เรื่อยยิ่งเหนคนอื่นไมีอยู่แล้วก็ยิ่ต้องการใหญ่างทีจะอยากจะสวยเห้นคนอื่นสวยอยากจะสวยบ้างแต้องอกุ่มใจมันสวยไม่ได้อย่างนี้นี่มันกำกัดหัวใจมันกัผู้ศรีไม่มีความรู้ผีตัวนี้มันปัดมันยิ่งกว่าหลอกถ้าหลอกเป็นอะไรหมกาาหลอกแต่กัดมันก็เจ็บปวดเจ็บที่บุตรจจะเอาอะไรล่าชีตัวนี้กันสักทีธรรมะสูงสุดในโกุตตรศาสนามีอยู่มากบดร้ายบดอย่างที่ได้รู้จักกันแ้วก็มียังไ่รู้จักตัวนี้ ธรรมะพยาสิาง่ได้ยินัว่าสุญญตาสัาวตาอีัฟปัตานีพู้มา้าจีนะเขจะมีรองรอยมีวอะไรตบนใหม่เกินไปคือคว่าอะตมมยาตาฟังดูไม่รู้อะไรก็ไม่เคยได้ยินเลยเพียงแต่ชื่ อ, อมันก็จะจำไม่ได้แนะ้อะตมมยาตาอะตมมยาตารู้คำแปลที่ภาษาคนง่ายภาษาส า, านภาษากลางาอัตมมยาต า, มากูมีงตงนี้มมไปไกูมียุงีไปกูไม่เกี่ยวงรนไปอย่างนี้กวามมาตรงทีุ่ดเลยอะไรนะ ร, น ร, ะรกู ปยชย่าว้มาคูเขนไว้าทุกอย่างลำบากไปลลมันไปด้วยมุนนี่ต <Jub ilee> ักติก็ว่าบาลีอัตมวจตามดนะก็ว่าเปาาไยว่ากูไปดึงมึงอี่ไปกูไงอ้มึงไปกูไเยียเขามึงกไปรู้จักธรรมชาติตรงนึงดีแล้วมีแต่การมีแต่กัดนี่กูไปไม่เอากับมึงต่อไปช่วกกัดตามชั่วดีกัดตามดีดีน้อยก็กลัดน้อยดีมากก็กลัดมากนะอย่าม้าดีอย่าล้มดีนักนะยิ่งดีมากยิ่กัดมาก่กัดลึกนะถ้าไปล้มลากกับมันน็แต่อย่าไปล้มกับ มันไปยึดมันถึงมันดปลาทานพอใจลงรนี่มันจงจะกัดไม่มีอะไรที่ว่บไปยึดมันครั้งแรจะไม่กัดยฟังดไม่มีอะไรที่แบบไปรักมันคั้งแรวมันจะไม่กัดใครจะค้ามก็ค้ามเหว่าไม่มีอะไรไปรักครั้งแรกจะไม่กัดไม่มีกัดอย่างนี้ัอย่างนั้นไม่กัดยางกัดอย่างนู้นกัดอย่างอกัดอย่างเล่นรักมันก็ัดนั้นคือจบวดในจิตใจไมเป็นยังกัดซับ้อนมันเป็นหลายหลาชั้นก็มีกัดแรกกัดอีกกัดแกัดอีกกกัดอย่างอื่นต่อไปอีกกัดจากไกลกับไปอี ยึดถือเป็นตัวตนเแล้วที่จะไม่เป็ น, uit, น, น, นทุกขนน์นั้นไม่มีในส <c oughs> ิ่าาาาาาาางาารรที่ไปยึดถือเอาเขแล้วแต่เป็นกจะไม่เป็นทุกข์นั้นไม่มีไม่ม <c oughs> ่าอะไรไปยึดถือเรารจะเป็นทุกข์กันนั้นแต่มาพูดภาษาภาษาภาษากางบ้านภาษาคนโง่ภาษาคนธรรมทานถ้ามีอะไรจะไยึดถือเราจะไม่กลับนั้นไม่มีที่มาพูดถการกัดบางทีมันกลัดตรงๆมันกลัดโดยเจ็บปวดตรงๆรู้สึกเจ็บวตรงๆแต่บางทีมันก็กัดซ่อนเร้นมันไม่แสดงอาการเจ็บปวดทางเนื้อทางนั้นแต่มันจะบปวดทางจิตใจนี่มันผูกพันจิตใจ ความรักอะไรที่มันรักชอบกันักเยัตดูดีมันกัดชนิดนึงกัดนิดกัดนิดทีรู้สึกยากไงกัดที่แสดงการเจ็บปวดตรงๆมันมันมันกัดให้จปวดอย่างอื่นชื่ประทับใจไม่มีอะไรทไปรักกันแล้วแไม่กัดนันไม่มีจะมองเห็นภาพอย่างนี้แล้วพูไม่เอากรมึอนี่เนี่ยความหมายของอิตมัตยตาการรู้สึกเลิดึนมาในขณะนั้นระบายมาเป็นพูดว่าอัตมยตาไม่เอากระมือนะนับสมบัติเป็นทองคองที่เป็นที่วงที่รักแต่ม เรื่องเพศเรื่องหิงเรื่องชายน้นเราเป็นไปเป็นทีมอย่างนะแต่ในเรื่อข้าเรื่องของเรื่องน้เรื่องทางาไปไดยน้ไปรักมันข้ารักมันก็าวเรื่องสุขภาพลองดูสิ่งที่เป็นที่ตั้งความรั ก, กมันไปรักเรื่องากัดไม่รักเ ก, ก็บไว้ตามธรรมดาไม่กัดกะะทีน้เขาเห็นมันกัดก็เลยไม่เข้าไปรักไม่เข้าไปเอากระมันนี่อาการกระตั้งตาเลืตาจะไม่เปโม้ไม่ไปลง้งให้มันกัดอีกต่อไปจะมีจำอาสายสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอย่างวามพอใจ ที่ิงมันเป็นให้เกิดความพอใจลุ้นไหลไปนั้นเองนั่นไม่มีดีอะไรกว่านนั้นสิ่งล่านี้อารมณ์ทางเพศก็ดีอารมณ์ทางตำมลาปกติลามันลำบุญหน้าวาชนะอะไรก็ดีมันก็คือให้เกิดความครุมในใจพอใจลุ้นไหลอยู่กันไม่นีอะไมากกว่านั้นไม่ใช่ความสงบเลยนี่เรว่ามันกรบมันทรมาณรู้เท่ารู้ทันโอ้มันกับมันกระมันกับร่วมมันกร่อยากให้มันกอกไม่อยกมักรอิไม่คิดอย่างนี้กูจะไม่เนอย่างนี้ กูจะไม่ผูกพันอย่างนี้กูจะไม่หลักอย่างนี้พูจะไม่หวงไม่อย่างนี้จะไม่หึงอย่างนี้คนที่เคยหลงรักเคยหวงเคยหึงที่เต็มขนาดแล้วก็เลยรู้สึกได้เองว่ามันกัดอย่างไรยิ่งรักมากก็ยิ่งกัดมากเขาไม่เอาจ่อไปไม่ยอมไปทำอย่างนี้ต่อไปความรู้สึกที่จะไม่ยอมไปทาอย่างนี้ต่อไปนี่คือทํามหมายของคว่าตามมักยตามันเป็นจุดยืนหลุดออกจากโลภียะหลุดจากการรุงแต่งหือสังขารถ้าไปถึงนี่มันจะถูกรุงแตงปรุงแตงไปเรื่อยๆโดยกิเลสรดยธอยวิบากอะไรก็ตามมันจะพรุงแต่งไม่สน ถลุมจอได้ก็มันยาก็เกียดมันก็เบือนน่ายไม่ใน่คำเบือหน่ายไม่กชเกียมันกิดในถูกไม่ใช่เบือนายนี่พิทาเบือหนายถ้าทอออกมาหรือว่าท้อออกมาก็เห็นอตรมตาเนี่ยอรรมตาเป็นเหตุในเกิดนี่พิทาหรือเบื่อหนายเบือหนายูที่เบือนายท้ายกำนัดรูมาจากโลกหมาจากส้นขาเป็นอำนาจของอธรรตาทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นชื่อที่ไม่เคยเอไม่เคยมีใครเอามาพูดหรือยินไม่มีใครเอามากระหูแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนดจะเบือหนายท้ายกำหนัดเราต้องมีความร ฉันชั่วไม่เอาฉันดีก็ไม่เอาดีมากก็ไม่เอาดีน้อยก็ไม่เอานรูปก็ไม่เอาฉันอารูปก็ไม่เอาฉันกลามก็ยังไม่เอาฉันกลางนี่มันก็กัดมากฉันรูปไม่เกี่ยวกับกลางเป็นรูปบริสุทธิ์ก็กัดละเอียดฉันอารูปก็ละเอียดไปกว่านั้นแล้วมันก็กัดใช่ไหสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งกางก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งรูปก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งอรูปก็ไม่เอานั่นเองนันจริงแต่มันกัดมองเห็นทุกคีนี้กลรงประดีรูปประดีอารูปปรุดูกับเท ผร้ศึกษาเป็น you ม know, ันยอมรับคำสอนของอาการคสุดท้ายที่มีชื่อว่าอุทกระดาบุรามาบุท่านยังสอนเรื่องยังกับอยู่ด้ยแวมวมันเป็นที่ตั้งในความยึดถืออยู่แวเมวมันกัดฉันจึงออกมาเจอหาจนพบในสงที่มันไม่กัดคสอปล่อยใช่ปล่อยวางใช่ไริษม์มันถือมันก็ัวตนมัเป็นเนื่งเดียกัความ้เรื่องอนิจจังทุกครังในาตาเนี่ยมันต้องเห็นอนิจจังทุกรั้งนาตามันจึงจะเห็นกัดนันงเหล่านี้ทีคเหล่านี้มันเนื่องกันหมดมาตัตว่าเห็นอ มันจึงยาขาดกันออกไปจากไอสิ่งที่เคยหลงไหลยึมันถือมันว้โดยอุบาตานอันนี้มันทาให้อุปาทานจางลงขาดไปหายไปส <c oughs> รุปแา้วว่าจะยาขาดจากอะไรจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอัตมจตาต่อสิ่งนั้นาครร่ายาขาดนี่เป็นคำธรรมดามะกเป็นเรื่องของผู้มีก็จะยาขาดนะแต่ไม่ใช่เรื่องของผูมีเราใช้คำคำนี้ได้คือม่ไปหลงรักมันอีกต่อไปนะี่เรียกว่ายาขาดเรื่องการมาลก็ดีเรื่องอำนาจวสนาก็ดีเรื่องบุญเร่อกุดีม่เรื่องสวรรค์ถึงเป็นที่ตัความมีมันถือมั ของทุกคน้องการจะไปสวรรเนาหัวตีสุดที่นสวนีักบาชดช่อนอะไรคือมันหลังนาฟ้ า, า้ามีอะไระที่ได้กำไรมากขนาดนี้บางมีอะไรที่หนที่มันไกำไรมากขนาดนี้กบาชอ่านานอนอะไรมัมนหลังเจ้าขมันมีนา้าหารเ่ไป ค, คิดดูบ้างว่าผู้ชายคนเดียวผู้หญิงห้ารอยจะอยู่กันอย่างไรมันก็เป็นโรคเอสตายหมดเลไม่มีประโยชน์อะไรผู้หญิงคนวผู้ชายคนเดียวผู้หญิงห้า้ยผู้ชายผู้หญิงคนเดียวผู้ชายห้ารอยนโรคเอสตายหมดเหมือนกัี่สวมันจะมีค่ากันได้ที่ไหน แล้มันก็เป็นชี่ตั้งเหความต้องการที่ตั้งเห็นความนุนแรงถือมันอย่างยิ่งเพราะอำนาจของวิชาที่ทำทําิติดบางว่ามเห็นจำเป็นอนนี้จทุกครั้งอานัตตาทมติดตาธรทมณยามิตาสัปจะตาตุณยตาตตาอัตมมตามองเห็นจำไวาเราตึกษาลาดับมันมันเป็นลาดับที่ตรงต่อเนะอันนี้จำทำให้เห็นทุกครั้งทุกครั้งทำาเห็นอานัตตามล้ก็ทำให้เห็นธรรมกิตตตาเห็นธรรมมณยามิตาเห็นสัปัะตาตุาตรงให้เห็นตุณยตาทรงให้เห็นตาตาทรงให้เห็นอต ตอนนี้่าายมตาลุดขาดพึงมันตัดเชือกลุ่นนลนลงหลุมมเลยตับเชือกมัขาทํางไลนรุไปเลยที่ทับัจฉริเป็นจุดที่มันจะขาดพึ้งในลุนลนตัวไปเลยอาามยตาเป็นอย่างนั้นกูเอามือหับยาขาดไปพก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะชอบหรือจะไม่ชอบมันจะสนใจหรือจะไม่สนใจแต่มันมีอยู่อย่างนี้มันมีอยู่ในพระบาลีอย่างซึ่งซ่อนอยู่อย่างเป็นมันที่ไม่มีใครมาใชุ้ญยาทำความเข้าใจแต่ว่ามันมีอยู่พระพุทเจาั มานเป็นเรื่องละเอียดละเอียด เ, เด็ยเเอดอภิธรไปอีกยอดอภิทําไปได <c oughs> ้อีกนานตอุเบขากรรมตําอำนาจของกามารมแเอกัตตอุเบขากําจัดอนาจของนานัตตอุเบขาอาตมัิจตากำจัดอำนาจของเอกัตตอุเบขาเป็นสุดท้ายกา <c oughs> มารมมเป็นเรื่องตามออุเบขาไม่ใชกามารมราร ม, ารมีอารมณ์หลายเรื่องหลายอ ย, ย่างก็ซ้อนต้อนเรื่อว่ า, านุเบออขาอุเบขาที่คขน้นหรือเพียงอย่างเดียวอารมณ์เดียวส่งเียวเอกัตอุเบขาก็ยังูกพันอยู่นะเพามันทำให้หลงพอใจ ันกวามสู้ไม่เป็นความสูงีเกินมจากอุเบกขามันเรงล้มออกไปชั้หมดหมดสิ้นไม่มีเหลือความรู้สึกที่เป็นอัตมยะาย่างกางจัดหนักของเอกตตะอุเบกขาทำเรานี่จะต่ฟังครูหรือไม่ฟังครูยังสงสัยแต่เป็นการเป่าฟีให้เตารับไปทหมดก็ไม่รู้ขอที่ตันงเป็นอางอย่างนี้เราต้องพูดท่าทาอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่สนใจถ้าสมาการเ่าฟีให้เตารับไปทน้งหมดเราก็มีฟังไม่รู้เรื่องนเป็นเตามู้เปนเนั้องั้งฝ่าย ถ้าเกิดทความเข้าใจกันดีๆเ้าบ้างเนี่การเป่าเปลีวเต่าฟังหรือเป่าเปี่แหกฟังนั้นไมวนะ้นี้วันนี้ไม่จังการจะพูดอะไรเพราะว่าอาตธรรมามันขึ้นสมองเป็นความหวังว่าจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจันได้ไม่เหนือยเ่าเขาว่ามาแม้แต่เพียงชื่อมันอุตส่าห์จำไม่ได้มันจะแปลกมอาตธรรมยสถานธรรมยลาธรรมยตาตาเลยทวามหมก็ของมันด้วยมาอกเป็นที่ต้องาศัยสิ่งนั้นมาทาความพอใจหรือทความสุขหรือทําการอะไรต่อไปเพราะมันลืนเหลหลอกนั้นกัดนั้นเผาตงนั้นผูกพันตรงนั้นผูกมัดระดิ้ เดี๋ยวกูมีเอากับมึงแล้วนี่อะไรที่เคยทรมานใจมามากมาอยแล้วกินดิสุดแล้วกูมเอากัมึงแ้นี่มันเป็นการยาขาด่ก่ายาขาดทันผู้มีอะไรอีกผูมีจะอยากัจริงอ่ะอยาต้องปิดมมันยังรักกันอยู่แอา้ว์ไยมันกลับแต่นั้นกันอีกก็ม่ันเอยากขาดจริงๆเพราะว่ากูราทางตามยิมันยังมีอยู่แต่ถาเป็นเรื่องของยานของวิปัฒนาญาณของมรรคามันเกิดตามมายาตานี้มันอยากขาดจิาดขาดขดไมกลับไปอีกกมีเอากมึงแล้ว อยากจะพูดว่าอุมาจากที่ไกลออกมาเรียนเทียนมามาข้าุทาพิณีจะได้อะไรคุ้มกันจะได้อะไรคุ้มกันมาจากกรุงเทพหรือใดกว่ากรุงเทพมาจากยลาปตานี่ไนี้จะได้อะไรคุ้มกันนั่นหมารับผิดชอบไปตนเองไม่ต้องมีใครบังคับว่าถ้าเขาไม่ได้อะไรคุ้มกันดุบาบันเ่นงานแต่มาเขตวัดตีกบาลอะไรื่องพยายามทําให้่พูมาจา่ที่ไกลในใรับประโยชน์อะไรมันคุ้มกันเรื่องอะไรเรื่องราวเรื่อง่าอีกทุกปีเลยนั่นจึงบอกอะไรให้หมายทุกปีเรื่องนึ่งข้อหนึ่งทุกปีไม่ได้ถือว่าข้อนี้วันน ที่กาเียใชเป็นประโยชน์ได้เหมือนเรื่องทั้งหลายที่ได้บอกไปแล้วใชเป็นประโยชน์ได้จริงเร่งสญญตารืตาตี่ปัจจตาเป็นต้นเอาต้่มาเรามีพระุทธธรรมผสมเป็นหลักและกระธรนั่นแหละออกมาเป็นตรียับในการเลียเรียนเป็นการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลขการปฏิบัติคือใน้ผลการปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นอจจังทุกครั้งอนัตตาเห็นอย่างนี้แล้วรู้กันแล้วก็เรียกว่าเห็นธรรมะิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาเห็นเป็นทัปปัจจิตาแล้วเห็นวางแต่ตัวตนตัวสัญญาตาเป็น คนดูเรนังนตาทาตาเนีนนจตาตุกตาอันาตาอันตาสมมติตาตาธรมัญญาตาจิตตปัญตาสุญญตาตาตารมัญญาตาตาตาน่ั่นเลยนีมคาตานแปลว่าความความความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาความอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นไม่มีตัวตนจริงจริงไหนจึงเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนแล้นเป็นตาตาคืความเป็นเช่นนั้นเองนี่คือก็เห็นอออกมานวก็เห็น คือความเอาอกมาไม่ไวแล้วเลยนะคือธรร ม, มยะยตาธรร ม, มยะยตาใครมาถึงนตนนนี้รอบตัวเป็นพระราหาไม่ไมไม่ไมมเป็นไอ้พระโสดาภิกคาอรอยู่มุญญาขาหลักตั้งฐานการงทงแต่มุญญาขาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมันหมดสิ้นอวิชชาสวะหมดสิ้นอวิชชานุสัยพูกอวิชชาทั้งหลายก็หมดสิ้นไปเรื่องมันก็จบคุ้มาลแล้วจา ไ, ได้เพงคเดียวคือเอาประโยชน์ให้ได้ไม่ต้องคุยในร้ายคมันจะมาเยรู้สึกเบื่อและละอายตัวเองที่พูดมากและเมากคา นั้นวันนี้เขาพูดแต่เดียวันเดียวทั้งวันพูดแต่อรมตาคำเดียวอยกจายให้ได้แล้วก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเก่งจริงเอาไปใช้เป็นมลไม่แต่ว่าสิ่งที่มันมันล่อมันหลอกให้รักให้โกรธให้เปียดให้กลัวให้ตื่นเต้นพี่ตกกังวลอะไรอาวรไให้อิจฉาริษยาให้ห่วมให้ถึงตื่นหลมอยู่ในกองเป็นคู่ๆููนี่เป็นมนจะระไล่รไล่สิ่งนี้ออกไปอีกอธรมญาตาธรมตากูมเอากระมืูมเอากมความหมายเป็นอย่างนั้นนี่แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆแบ ภาษาบาลีว่ความที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไปความที่จะไม่สําเร็จมาจากเหตุปัจจัยนั้นนั่นอีกต่อไปความที่อยู่เนื้ออำ น, นาจรุ่งแรของเหตุปัจจัยนั้นนั้นโดยสิ้นเชิงน <c oughs> ี่คือการทำมายาตาอยาก <c oughs> จะอวดน้อยว่าไม่เคยมีใครเอามาพูดมาฟังนักหนาเลยมีการเคยเอามาพูดพ <c oughs> ยายามอามาพูดของที่เป็นชั้นเพชรนั่งเอกที่ซ่อมอยู่ในกระชายปิดดอกเอามาแจกกันใครจะว่าบ้าก็ได้มันก็น่าจะบ้าแล้วเอาเรื่งที่เราฟังไม่รู้เรื่องมาพูดให้เราฟังมันจะเป็นคนบ้า แต้วถ้ามีคนฟังออกฟังถูกกักคนสัาบ้าเนี่นี่ก็ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันศึกษาช่วยกันใจให้มันได้รัประนกคนสองคนธรรมาก็ไม่ต้องเป็นคนบ้าไม่ต้องเป็นคนถูกหาแบบ้าเอาองะไรก็ไม่รู้มาพูดแล้วไม่มีใครเข้าใจทั้งวมดนี่มีใครเข้าใจากคนหนึ่งก็ทวากรรมธรมะบาปกเดียวเรื่องที่ไม่ีใครเข้าใจมาพูดนครับ่าบ้าเหาว่าบ้าเราเขาจะหาว่าเปล่ปต่าฟังเําไยคำไหนหนัวกว่าบ้เราหาว่าเราบ้านี่ยยังาวาเราเปล่ปีต่าฟังเนี่ต้องคำไหนต้องนี้คาไหนหนักกว่าบ้ เัา <c oughs> จะช่วยกันในน้อยก็เลยก็จะไปฟังออฟังออกฟ้คัอจาช่างจะดีอยู่ทีได้เป็ไม่มีใครนะหาว่าเกาหลีต่งแลก็ยมมีตางคนเยะแยะมีคนที่ฟังออกฟังถูกฟังรู้เรื่องมันเป็นหัวใจของธรรมะทั้งหมดโดยหลักแห่งการปฏิบัติแล้วมันไปสรุปผลอยู่ที่คาคานี้ <c oughs> มันมีความหมายลึกซึ้งที่เข้าใจไม่ได้แ้วก็มีธรรเนียมให้เอามาใช้ออกมาลูกคลาเอามาท่องจันนี่การจีนไทยต้องกีน สุทายกคิการั้งหลายไม่เข้าใจอมิตาพระอมิตรายุว่าคืออะไรแต่ก็เหเอามาท่องเอามาท่องทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรมาท่องกับพระเจ้านามัสการพระอมิตราพระับพเจ้านมัสการพระอมิตรายุนี่งที่ไม่รู้ว่าสิงนันคืออะไรอมิตราพระแปลว่าแสงสว่างที่ประมาณไม่ได้อมิตายุสิ่งที่มีอายุที่ประมาณไม่ได้ก็คืออรรถกัตธรรมหรือนิพพานนั่นเองเป็นอมิตราพระอมิตรายุที่มันคาจไได้แต่ก็เามาให้ท่องโรนักติรงใจร้องใจคนัติมจะท่องอย่างนี้นโมอมิตราหุ ก็เชื่ออะไรมาถ้ทองไดแปดมนคำแปดมืนครั้งแล้วเร็ดรอดตัวรอตัวจะไม่ไปนรกไปไปไหนหมดแน่นอนที่ไปสวรรค์อ่ะไปติดตามมีการเชียนไถ่มีการสวรรคุกาวดีนัก็ถือว่าพอไม่สบายแล้วนะคนที่ท่องอมิตราพระโนโมน ม, นมิทอุคนี้ก็แ8ดหมืนครั้งนะพอมันสบายในเะทวดาเอารถรอบนหลังคานะพอดับิจขึ้นรถไปเชียนไถยไปสวรรค์เชื่อกันอย่างนี้แล้วก็มีมากเลยพวกอาชินไม่รู้อะไรเลยเรื่ออมิตาพระอมิตาุนีแต่เราท่องเป็น8ปด0 0นครั้ง มันก็เชือไปสุดวันดีใจพอใอย่างดริงเลยนี่มันเป็นากคล้ายกันนะที่เรามาจะพยายาตั้หลายความใจคว่าอาตมมันจะตายมันจะคลายกอาซึ่งันก็ช่องน้้าึงขั้นระดีว่ารอรับไปสวรรค์ก่อนนี้มันเปมาความหลังนั้นเช่อมันเข้าใจเข้าใจค่เข้าใจยเข้าใจจเเห็นว่ามันมีอะไรีไปยึดมันถมันก็ไยดมันถึงมันที่จะไม่กัดนั้นไม่มีมันเป็นทุกข์ก็เห็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็คอยหันหันหันหันจนเห็นชัดๆรู้ เห็นความที่เอากัมันไม่ได้ไม่ตอบไปแล้วคงจะดีกว่าสิมพิจารณมตาผ่แปดพืข้าก็ได้นี่เอาละขอแล้วถ้าอะไรเข้าใจอย่างน้รับประโยชน์ของลึกซึงคนี้แล้วครับก็ได้คำพัใจของพระพุททาศาสนาไว้แล้วไปทำเป็นประโยชน์ได้ในวันหน้าเชื่อถืกันด้วยอย่าลืมเรียว่าคานี้คืออาตามาาตาลับไปถึงมันลืมแล้วอะไรตาไม่รู้ตั้งเอก็นไมได้ถามขึ้นมรู่จะจําชื่อมันก่อนดีกว่าอาตมยตานี่ความหมายไม่อานไรมันอีตาไป เห็นชัดแล้วอาศัย ไ, ไม่ได้ถ้าไปอาศัยประกอาอนะทำไมเขาไปาไมันเขาจะหลุดไปทานที่ม่เกี่ยวข้องกันธรรมยตาคืออย่างนี้ไรที่เคยรักเคยหลงจะได้ยงเอากันอย่างใ จ, จกระขาดบาดช่อนเดียวได้บบิมันลังบริวารห้าร้จะเอากันไวหรือไม่ไว้ลยไคิดดูถ้าไม่ไวก็เอาอตรรมยตาขัดล่ออกไปพื้นให้่วงให้ต่อวา่างให้ใหลุดพ้นเมืม่อี่โอวามายัดจากชวนพึ่งดีพ้นดีถึงว่างไปดูมะพาวนาลิกาทเลที่ึงนั้นมันว่างจากบุญระบาคุศลแรึงเนทเลทีึ่นโฉกขึ้นเป็นทเลี่พ่ จะเรียกคือว่านก็ได้เรียกว่าคือว่าอสังกตธรรมก็ได้จะเรีกคืวอว่าอมตะธรรก็ได้แล้วแต่ถอะอันเป็นสิ่งที่ยืนเนอนาการรงแต่งโดยการทั้งปวงไม่มีเหตุปัจจัยต่อ ไ, ไปเดี๋ยวนี้นเราก็มีอสัอส เ, หอสเหตุปัจจัยะไรต่อไปไม่ยุ่งกับเหตุปัจจัยอะไรต่อไปยาค่าจากเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นนี่คืออะตมยตา <c oughs> ถ้าต้องการพูดพูดอะไรก็ตายแล้วก็จะจามไปได้แล้วเอาไปชาติเดียวๆได้ทีละนิดๆละนิดน้อยสวาร์สวาร์สิ่งที่จะเปหนที สำหรับื น, นี้มันพูดอะไรพูดคเดียวว่าตมยายตาตอนบ่ยก็พูดมากคเดียวว่าตมยาตานันงก็งพูดอีี่คั้งยังไม่ทราบพูดจนเต่าฟังถูกเลาปเตาฟังถูกนะอตมยต า, ก, นะ า, ย า, ตาก็เป็นคำที่ขุ่นปากุนหูเหมือนกับคว่าอีับปัจจยตาสัญญตาตะาต า, ย า, ต า, า, า, า, า, าอย่างทีเลยพูดจนหมดแรงก็งพูดด้วยขอหยุดปีปาตะทา